ยาซีเรียตเรื่องลื้อบวชมาแล้วกี่ปี<ฟ><ง>มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อได้เดินทางไปต่างประเทศ ตามคำนิมนต์ของญาติโยมแถบนั้นซึ่งเป็นคนไทยที่ตั้งรกรากอยู่ในประเทศนั้นที่ต้องการให้ท่านไปแสดงธรรมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจบ้างพอคนไทยรู้ข่าวเข้าก็พากันมาเพื่อจะฟังธรรมจากท่านมากมายเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าแล้วหลังแสดงธรรมจบแล้ว ก็มีช่วงสนทนาระหว่างท่านกับญาติโยมที่มาซึ่งใช้เวลานานอยู่พอสมควรก่อนพวกเขาจะลา ก, กลับหลวงพ่อก็ได้ให้เทปหนังสือธรรมะไว้เพื่อสำหรับศึกษาต่อไปแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งร่างทมท้วมผิวขาวขาวพูดไทยไม่ค่อยชัดอายุราวห้าสิบเศษเศษได้เข้ามากราบท่าน แล้วขอให้ท่านช่วยเขียนพยันให้หลวงพ่อบอกว่าอาตมาทำไม่เป็นงั้นท่านก็ช่วยทำตะกุกให้อัวสักอังเธอต่อรองตะกรุดก่อทำไม่เป็นหลวงพ่อตอบทำตะกุกไม่เป็นงั้นหรือช่วยอาบน้ำมงให้อัวก็ไล่เธอยังไม่เลิกดือ้อ หรือจะอาบน้ำมนต์ไปทำไมท่านใช้สรรพนามคำเดียวกับที่เธอใช้อ้าวอาบเพื่อให้โชคลีทํามาคาักครึ่งไม่เจ็บไม่คายเธอตอบด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นจริงตามนั้นหลวงพ่อตอบผู้หญิงคนนั้นไปว่าน้ำมนต์อย่างที่โยมว่าอาตมาก็อาบให้ไม่เป็น แล้วก็ไม่เคยอาบให้ใครด้วยอาบเป็นแต่น้ำทําตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพูดหวังเพื่อให้เธอสงสัยและอยากจะรู้เรื่องของน้ำทําบ้างแล้วท่านจะได้ช่วยอธิบายถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้เข้าใจแต่ลืนิบวกมาแล้วกี่ปีเธอแสดงสีหน้าผิดหวัง พร้อมถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยจะพอใจนะักหลวงพ่อก็บอกจำนวนปีที่ท่านบวชมาผู้หญิงคนนั้นถึงกับอุทานขึ้นมาทันทีโอ้โหหรือบวชมาตั้งนางแล้วแต่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างไปมัวทำอะไรอยู่เมื่อสามเรืองกองก็มีพระเอยียงหรือหนี่แหละอีบวชมาแค่สามปีเองอียังทำให้อ้วนได้ต่างหลายอย่าง ว่าแล้วเธอก็ลุกขึ้นเดินจากไปโดยไม่ยอมกราบลาท่านเลยหลวงพ่อพอได้ฟังเช่นนั้นก็อดสงสารเธอไม่ได้